จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าความรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอร่อยบ้างถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากมายที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็ 84,000 ี่พันกว่าธรรมขันแปดห0พันธรรมขันธรรมบทเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ในวันแผ่นเดือนหตอนที่มีพระชนมายุ 35, สามสิบาพันก็แสดงธรรมทุกวันวันละสีรอบตอนบ่ายสอนญาติโยม ตอนค่ำสอนภิกษุภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดา mm hmm. แล้วตอนเช้าก่อนจะออกบินธบาน mm hmm. ก็ส่งเหล็กยานว่าจะไปสอนคนไหนเป็นกรณีพิเศษ mm hmm. วันหนึ่งสอนประมาณสี่รอบด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดยกวันถ้าประชวนไม่สบาย ปีหนึ่งก็ต้องส6 5้อหสิห้าวันแล้วแสดงธรรมถึงสี่ห้าปีด้วยกันจากอายุสาสิบห้าจนถึงอายุ8ปสิบปีคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายเพราะทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมก็จะมีผู้ไปจดจำเอาไว้ท่องจำกันเอาไว้แล้วต่อมาก็ได้เอามาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายแต่ไม่ว่าจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเนื้อหาสาระเพียงอันเดียวเท่านั้นเหมือนกับน้ําในทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลน้ําในมหาสมุทรนี้ไม่ว่าจะไปตักที่ไหนก็เดิมก็จะมีรสเหมือนกัน ก็คือรถของความเค็มฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองก็สอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวนั้นคืออะไรก็เรื่องของการดับทุกข์นี่เองการดับทุกข์ในใจของสัตว์โลกทั้งหลาย mm hmm. เพราะไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา เท่ากับความทุกข์ใจน่าไม่มีอะไรมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของสัตว์โลกยิ่งกว่าการได้ดับความทุกข์ที่มีในใจของพวกเราให้หมดไป<ม>การดับทุกนี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าการได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดี เป็นมหาเศรษฐีมากกว่าการมีทรัพสมบัติเป็นหมื่นล้านแสนล้านมากกว่าการได้รับย่อรับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลต่างๆหรือการได้ความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพชนิดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้น ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตงยังมีความทุกข์ใจอยู่ยังต้องเศร้าโศกเสียใจยังต้องร้องห่มร้องไห้ยอยู่ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านก็ยังต้องร้องห่มร้องไหย้ยังเศร้าโศกเสียใจต่อให้ได้รับรางวัลทุกตาทองในกี่ตัว ก็ยังต้องมีความเสียอกเสียใจมีความทุกข์ใจอยู่นั่นเองดั้นไม่ว่าจะได้อะไรมาในโลกนี้ก็ก็ตามได้มากได้น้อยมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ต่อไปมันไม่ดับได้ด้วยการได้สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มา หรือแม้จะได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปวันนี้วันหวยหออกเดี๋ยวใครถูกก็ตะลึงก็ดีใจสุขใจไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวงวดหน้าก็ทุกข์ใจแล้วรอลุ้นอีกแล้วว่าจะถูกอี ก, ก็ไม่ถูก รางวัลที่ได้มวอดก่อนความสุขที่ได้จากการถูกรางวัลที่งวดก่อนก็หายไปแล้วทีนี้ก็มีความกระวลกังวายกระสับกระสายเหมือนวันนี้กำลังกระวลกังวายกระสับกระสา ย, ยจะถูกหวยหรือไม่ถูกเนาะแล้วถ้าไม่ถูกก็เสียใจถ้าถูกก็ดีใจไปเดียวเดียวแล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากจะถูกขึ้นมาใหม่ เดี๋ยววดหน้าก็มาเป็นเหมือนวันนี้ mm. ก็ต้องมานั่งกวัวลกรงวายมานั่งรอนั่งลุ้นอยู่เนี่ยว่าวันนี้จะถูกไหมจะถูกเท่าไหร่หรือจะถูกกินน mm. อันนี้แหละ mm. เป็นสิ่งที่ mm. ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ mm. ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ดับไม่ได้ mm. ดับได้เดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียว ได้แฟนมาก็ดีใจแต่งงานกันก็ดีใจเดี๋ยวก็มาตีกันมาทะเลาะกันก็เสียใจเดี๋ยวก็ตายจากกันอย่างกระทานหันก็มีบางคนแต่งงานกันไม่ได้กี่วันตายจากกันไปก็มีนะเพ้ไม่ว่าจะได้อะไรจากในโลกนี้มานี้มันไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจหรือป้องกัน ไม่ให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาได้ในใจของพวกเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาให้ดับไปแล้วก็จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาได้ต่อไปดัง <Yeah. S 1> นั้นพวกเราที่มาศึกษาธรรมกันมาปฏิบัติธรรมนั้นต้องเข้าใจหลักนี้ว่า สิ่งที่เราจะได้จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการดับความทุกข์ของใจของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้อย่างถาวรอาจจะดับไปเป็นพักๆชั่วครัง้งชั่วคราว ได้อะไรมาก็ดีใจความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอสักครั้งหนึ่งแล้วความสุขที่ได้มาก็จางหายไปแล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่มันก็กลับเข้ามาแทนที่อยู่อยู่เรื่อยๆอย่งนั้น mm hmm. ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่เสียกําลังใจเพราะถ้าเราคิดว่าเรามาศึกษาทมปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้ร่ารวย ก็เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เราจะได้มีคนยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีหรือคนใจบุญหรืออะไรก็ตามหรือได้ความสุขจากลาบยศสนจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลหลักของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมบางทีอาจจะได้ เป็นคนดีปฏิบัติธรรมคนมีศีลมีธรรมก็อาจจะมีคนไว้ใจเชื่อถือแล้วก็ให้การสนับสนุนได้ก็มีแต่บางทีก็อาจจะไม่มีคนก็ให้การสนับสนุนก็ได้จนทําให้คนบางคนถึงกับบ่นว่าทําดีไม่ได้ดีทำเชื่อได้ได้ดีมีถมไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หวังผลทางโลกกระรมไม่ได้หวังได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆแต่ต้องการการดับของความทุกข์ที่มีในใจเพราถ้ามีถ้าดับความทุกข์ภายในใจได้แล้วนั้น จะมีความสุขมากกว่าความสุขของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเสียได้ซ้ําไป <Yeah. S 1> จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์ของประธานาธิบดี yeah. Yeah. ทําไมพระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติแล้วมาสแสวงหาการดับทุกข์เพราะขณะที่เป็นพระราชาโอรสที่สวยราชสมบัติอยู่ เพระไทยของพระองค์ก็ยังถูกคาวามทุกข์คอยนุ่มเล้าอยู่เรื่อยๆพอเห็นคนแก่ทีก็เกิดคาวามทุกข์ไม่สบายใจขึ้นมาพอเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดคาวามทุกข์เกิดมาความไม่สบายใจขึ้นมาพอเห็นคนตายก็เกิดคาวามทุกข์เกิดคาวามไม่สบายใจขึ้นมาทาั้งๆที่มีพระราชสมบัติมากมายก่ายกองแต่พระราชสมบัติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมา ป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้เลยและเมื่อเกิดแล้วก็ไม่สามารถดับมันได้ทันทีต้องปล่อยให้มันดับไปตามกำลังของมันนี่แหลาทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสละลาชสมบัติเพราะทรงเห็นด้วยปัญญาว่าการได้ราบยศสรเสริญสุขของทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ภายในใจได้เพราะงเลยจึงต้องออกไปหาวิธีที่จะทำให้ทุกข์นี้ดับ mm hmm. และการที่จะดับความทุกข์ในใจได้นี้ก็ต้องไปเป็นนักบวชกันไปอยู่แบบนักบวชกันต้องสละความสุขของทางโลกกรรำไปต้องสละความสุขของลาบยศสระเสริญ ของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเท่านั้นถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์มันก็มาจากลาบยศสารเสริญสุขเหล่านี้น่นเองเพราะธรรมชาติของลาบยศสารเสริญสุขนี้มันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันมีดับมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมมีขึ้นแล้วมีลงมีละมีมาแล้วมีไป แล้วเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันให้เที่ยงไม่ได้สั่งมันสั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันรวยอย่างเดียวไม่ได้รวยได้เดี๋ยวก็จนได้เป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวก็ตกลงมาเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมโลกธรรมให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ พอเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราก็เลยทุกเนี <Yeah. S 1> ทุกเพราะเราอยากอยากให้รวยเป็นนา น, านอยากให้เป็นใหญ่เป็นโตไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> อยากให้คนมียกย่องสรรเสริญเยินยอเราไปตลอดเวลา <Yeah. S 1> อยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเรา <Yeah. S 1> แต่เร า, าไม่สามารถสั่งให้มัน ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเพราะมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลงมีการเกิดมีการดับนั่นเองพอมันดับปับ๊บมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเราเสียคนที่เราลากไปปั๊บนี่ความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปทันทีแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เข้ามาในใจของเราทันที ดนันวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนี่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องไปอยู่แบบนักบวชเพราะนักบวชนี้ต้องสละความสุขของโลกกระทำความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไปเพื่อที่จะได้ไป แสวงหาที่ไม่มีที่เกิดทุกนั่นเองที่ที่จะไม่มีที่เกิดทุกก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความสงบของใจใจจะสงบได้ใจจะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่มีการปลูกพันกับสิ่งต่างๆภายนอกใจเช่นโล ก, กธรรมแโล ก, กธรรมสคือใจต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่มีการเกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆไม่มีการเกี่ยวข้องกับสรรเสริญนยนยอไม่เกี่ยวข้องกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจเดี๋ยวจะต้องทุกข์ใจขึ้นมาทันทีกตอนก่อนที่จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าไปสู่ที่ปราศจากความทุกข์ได้ต้องออกจากกองทุกข์ก่อน กองทุกข์ที่พวกเราอยู่กันที่เราถูกอวิชาโมหะความหลงหลอกให้เราคิดว่าเป็นกองสุขกันพวกเราทุกคนนี้เห็นลาบยศสรสเสรินเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นกองสุขกันทั้งนั้นแล้วทำไมเราถึงร้องหอบร้องไห้กันอยู่เรื่อยถ้ามันเป็นกองสุขจริงเราจะต้องไม่มีความทุกข์สิแต่ น, นี้มันไม่ใช่เป็นกองสุขจริงมันเป็นกองทุกข์มากกว่ากองสุขเลย มีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ยังร้องห่มร้องไห้มีตำแหน่งใหญ่โตสูงใหญ่ขนาดไหนก็ยังต้องเศร้าโศกเสียใจมีคนให้รางวัลมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอยู่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้มากได้น um ้อยเพียงไรก็ตามก็ยังเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นทุกข์นั่นเอง แต่พวกเราไม่มีปัญญามองเห็นว่ามันเป็ น, ปนทุกข์กันเราไปมองเห็นว่ามันเป็นสุขเราไปมองเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันมองเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่พอเวลามันเกิดนิจจังขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เกิดการสูญเสียขึ้นมาตอนนั้นทุกขังก็เกิดขึ้นทันทีความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่พิจารณาเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกขนะ์นโลกธรรมนี่ที่เราสรรหากันที่เราอยากได้กันอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันอยากได้ตำแหน่งกันอยากได้สัรเสริญกัน อยากได้รูปเสียงกลิ่นนัมาเสบกันเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะคิดว่ามันเป็นสุขเพราะมันเป็นสุขแบบหุบด้วยคอหอเ ป, เป็นสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เราจึงมองไม่เห็นความทุกข์กันเหมือนยาขมเคลือบน้าตาลเนี่ยเวลาเราอมยายาใหม่ๆนี่จะรู้สึกหวาน เพรมันเคลือ บ, บด้วยน้ําตาลเราก็เลยคิดว่ามันจะหวานไปทั้งทั้งก้อนอย่างที่ไหนได้มันเป็นหวานเพียงผิวเผินเท่านั้นเองมันฉาบไว้ที่บนผิวบางๆพอมันละลายไปหมดทีนี้ก็จะเจอกับรสขมขึ้นมาทันทีฉนันใดโลกกระทำที่พวกเราฝ่ายหากันอยากได้กันอยากมีกันอยากเป็นกันนี้ก็เป็นเหมือนกับ ความสุขที่ฉาบความทุกข์เอาไว้เท่านั้นเองปิดบังความทุกข์ไม่ให้พวกเราเห็นความทุกข์ของโลกกระทมไม่ให้เห็นความทุกข์ของลาบยศสรรเสริญของความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็เลยต้องมาเจอกันความทุกข์ในภายหลังกันสุขตอนต้นสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆ ไม่ว่าจะได้อะไรมาใหม่ๆดี อ, อกดีใจกันแต่เดี๋ยวไม่นานความสุขที่ได้มามันก็จางหายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์กันนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาทรงรู้ทรงเห็นในขณะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะขณะที่เป็นพระโโราโอรสทรงเห็นว่า ความสุขที่พระองค์ได้ทรงมีนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันอันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วพอร่างกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนั่นเอง การเห็นแบบนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้ากล้าสละราชสมบัติเพราะเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์เป็นกองไฟคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในกองไฟเนี่ยจะไม่มีใครจะอยู่หรอกพารู้ว่าเป็นกองไฟนี่ต้องกระโดดออกทันทีหนีทันทีแต่ที่พวกเรานี่ไม่กระโดดออกกันเพราะอะไรเพราะพวกเราเป็นเหมือนซากศพ มันไหกศพที่เขาเออกเข้าไปในเตาเผาเนี่ยมันไม่กระโดดออกมาจากโรง ก, กันนะเพราะมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่ามันกำลังจะถูกไฟเผาถ้ามันรู้ว่ากำลังจะถูกไฟเผามันไม่อยู่หรอก ใ, ใครจะไปอยู่ในโรงศพให้เขาจับเข้าไปในเตาเผากันบ้างไม่มีหรอกตอนนี้ถ้าเขาบอกเชิญเข้าไปเข้าโรงไปไหมเดี๋ยวจะพาเข้าไปเมนกันไปเผากัน ไม่ไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นกองทุกข์แต่กับลาบยศสรเสิญสุขนี้เรากลับไม่เห็นว่ามันเป็นกองทุกข์กันเราเป็นเหมือนซากศพ <_ c oughs> กับลาบยศสรเสิญสุขนี้เราเป็นเหมือนซากศพเราไม่รู้ว่าเรากำลังถูกไฟของลาบยศสรเสิญสุขเผาเราคือความทุกข์ของลาบยศสรเสิญสุขเผาเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาถ้าไม่พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราจะคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดได้อะไรมาแล้วจะมีความสุขดีความดีใจไปเรื่อยๆของที่ได้มาก็จะอยู่กับเราไปนันไปเรื่อยๆเป็นของเราไปจนวันตายไม่มีหรอกไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปได้ตลอด ถ้าเราตายเมื่อไหร่มันก็หมดเมื่อ น, นั้นเหมือนกันฉนั้นต้องมองด้วยปัจ ญ, ญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาของอย่าไปหลงไปยึดไปติดไปอยากได้มัน พยายามสละมันไปเถิดแล้วไปอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสงฆ์สาวกดีกว่าเนี่ยนี่คือขั้นตอนอันแรกเราต้องออกจากกองไฟก่อนออกจากกองทุกข์ของลาบยศเสริญสุขก่อนด้วยการไปปีกวิเวกไปอยู่วัดเนี่ยอย่างที่ญาติโยมมาอยู่วัดกั น, นมาถือศีลแปดกันเนี่ยเรียกว่ากำลังออกจากกองไฟ ออกจากกองทุกข์ของราบยุธสรรเสริญแต่เป็นการออกแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเรายัางไม่มีกำลังมากพอที่จะออกอย่างถาวร น, นั้นในเบื้องต้นนี้ก็ต้องออกแบบชั่วคราวไปก่อนออกมาเพื่อมาหาความสุขจากความสงบกันให้ได้นเพราะถ้าเรา ออกมาแล้วแล้วเราสามารถพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็จะสามารถออกมาได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับไปหากองทุกของลาบยศเสนอเสริญสุขอีกต่อไปแต่ในเบื้อง ต, ต้นก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนแบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนอยู่ในกองทุกสักพักหนึ่งแล้วก็พอมีวันไหนว่างก็ออกจากกองทุกมาหา ความสุขที่เกิดจากความสงบกันแต่ถ้าออกมาไม่นานกำลังที่จะหาความสุขจากความสงบนี้มันยังมีน้อยก็มักจะหาไม่ได้กันหรือได้ก็ได้ไม่มากไม่มากพอที่จะดึงให้จิตใจไม่ต้องกลับไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ ส, สุขแต่ก็ยังดีกับผู้ที่ไม่ได้ออกมาเลย ผู้ที่ไม่เคยออกมาถือศีลแปดกันเลยออกมาอยู่วัดออกมาหัดทําจิตใจให้สงบออกมาหาความสุขจากความสงบก็จะติดอยู่กับกองทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองก็ทุกข์กับเรื่องตําแหน่งไม่ทุกข์กับตําแหน่งก็ทุกข์กับเรื่องการสรรเสริญเรื่องนินทาหรือแม้กระทัทุกข์กับเรื่อง รูปเสียงกิ่นรถต่างๆที่หายไปหรือหมดไปหรือเปลี่ยนไปชีวิตก็จะคุกเขาไปอยู่กับความทุกข์อยู่ในเนื่ย mm. ดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเรา mm. เบื้องต้นนี้เราต้องบังคับตัวเราให้ออกจากกองทุกข์ให้ได้ก่อนถึงแม้จะเป็นการออกชั่วคราว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยให้ถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ให้ถือศีลห้าไป<ม><ม>เพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจไปทุกข์กับการที่จะต้องไปเกิดในอบาย<ม><ม>ถ้ารักษาศีลห้าได้ใจก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการไปเป็นเดราจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปตกตะลก แต่ยังไม่สามารถดึงให้ออกจากกองทุกข์ของโลกกระมได้กองทุกขรร์ของลาบยศสรเสริญของลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ต้องอาศัยวันพระวันพระเพื่อดึงใจให้ออกจากการหาความสุขจากโลกธรรมคือลาบยศสรเสริญสุขสมัยนี้วันพระนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามสมัย เพราะสมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานนั่นเองแต่สมัยนี้วันพระนี้ไม่ตรงกับวันหยุดทำงานส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไปตรงกับวันทำงานกันถ้าเราถือปฏิทินแบบเดิมว่าจะหยุดทำงานในวันพระเราก็จะหยุดไปได้เช่นวันพระครั้งต่อไปที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นวันอังคาร วันังคารนญะาติโยมที่ทำงานก็ต้องไปทำงานกัน mm. เมื่อไปทำงานก็จะไปปีกวิเวกไปอยู่วัดไปรักษาศีลแปดไม่ได้ mm. ไปออกจากกองทุกข์ของลาบยศสรรเสริญสุดไม่ได้ mm. ดังนั้นเราสมัยนี้เราจรึงต้องมาปรับวันพระกันใหม่ mm. ปรับวันพระให้ตรงกับวันหยุดทำงานของพวกเรา mm. วันหยุดทำงานของพวกเราเป็นวันไหนลนะ่ะ mm. ก็วันนี้แหละวันอาทิตย์นี้ หรือวันเสาร์บางแห่งก็หยุดสองวันเสาร์อาทิตย์บางแห่งก็หยุดวันเดียววันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็หยุดครึ่งวันดันั้นเราก็ต้องปรับวันพระของเราใหม่วันพระที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาออกจากกองทุกข์ของลาบยศรเสริญสุขกันแล้วมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันด้วยการไปอยู่วัดปฏิบัติ วัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่มีการรักษาศีลแปดมีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เป็นวัดที่ไม่กระทึกคึกโคงไม่ใช่เป็นวัดที่มีงานต่างๆเช่นงานบวชงานศพงานอะไรต่างๆถ้าวัดแบบนั้นไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นวัดสำหรับปฏิบัติเพื่อให้ดับความทุกข์ใจ เพราะถ้ามีกิจกรรมต่างๆมันก็จะมาลบกวนการปฏิบัติในการทาใจให้สงบนั่นเองแล้เราต้องปรับหลายอย่างด้วยกันข้อหนึ่งก็ต้องปรับวันพระของเราใหม่ให้เป็นวันหยุดทำงานของเราถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ถือวันนั้นว่าเป็นวันวันพระของเราแล้วเราก็ไปอยู่วัดกัน แล้วไปวัดก็ต้องไปหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติด้วยถ้าไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติก็ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการสอนวิธีปฏิบัติ <S S S ก็จะไม่ได้ปฏิบัติต้องไปหาวัดที่สงบที่เงียบด้วยหรือแม้จะมีการสอนการปฏิบัติถ้าไม่เงียบไม่สงบ ก, ก็ปฏิบัติยาก ว่าการปฏิบัติที่จะได้ผลดีนี้ต้องเป็นวัดที่สงบสงบจากเสียงหรือกะทึกคึกโคมต่างๆสงบจากกิจกรรมต่างๆคนอยู่ในวัดมีแต่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์เท่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาปรับกันถ้าเราอยากจะไปดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไป เบื้องต้นเราก็ต้องออกจากกองทุกข์ก่อนออกจากกองทุกข์ของลาบยุติรเสรสุุเพ อ, อถึงวันพระเราก็ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพรา ะ, ะมันเป็นกองทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขก็มันเป็นความสุขที่อัมพรางความทุกข์เอาไว้เท่า น, นั้นเองเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจากความสุขที่เราได้มา ดันั้นเราก็ต้องมาเพร่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นมาเป็นศีลแปกัน<ม>ในวันหยุดในวันพระของเรา<ม>ก็ต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเ<ม><ม>ช่นศีลข้อสก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ布拉มจาริยาจากกาเมสุมิชฌาจาราก็เปลี่ยนเป็นอ布拉มจาริยาเกิดจงด เสพร่วมหลับนอนกับแฟนของเราคู่ครองของเรานั่นเองจะนอนคนเดียวจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันอันนี้เป็นการออกจากกองทุกข์เพราะว่าถ้าเรานอนคนเดียวได้ต่อไปถ้าเกิดแฟนเราตายไปหรือเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเรายังต้องนอนกับแฟนต้องมีแฟนเป็นหมอนข้างอย่างนี้เดี๋ยวเกิดวันใดคืในใดแฟนเราตายไปหรือไม่อยู่กับเรา เราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีดนวยวิธีการออกจากกองทุกขนะ์คือต้องไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆศิลข้อสมของศิลห้าเลยต้องเปลี่ยนมันเป็นอ布拉เมเชียเป็นศิลของของศินแปดสินข้อสามของศิลแปดแล้วเราก็เพิ่มศินข้อ6ไม่หาความสุข จากการรับประทานอาหารจากการดื่มจากการรับประทานให้ดื่มให้รับประทานเพื่อรักษาร่างกายได้เป็นเหมือนยาให้ดื่มให้รับประทานเหมือนดื่มยารับประทานยามีเวลามีปริมาณไม่ใช่ดื่มรับประทานตามความอยากไม่มีเวลาอยากจะดื่มเมื่อไหร่อยากรับประทานเมื่อไหร่ก็ดื่มรับประทานเมื่อนั้นอย่างนี้เป็นการเสพกาม เสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารซึ่งถ้าเราติดแล้วเราจะทุกเวลาที่ไม่มีเสพถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ที่ไม่มีอาหารมีเครื่องดื่มให้เราเสพเเราจะมีความรู้สึกหวดเกลิ่นลำคาญใจขึ้นมาแต่ถ้าเราควบคุมการบริโภคอาหารได้การดื่มเครื่องดื่มต่างๆได้ดื่มเฉพาะเวลาเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการคอยหา เรื่งดื่ ม, มาหานมาคอยเสพมาคอยรับประทานมาคอยดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรานี่กำจัดปัญหาที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปได้ด้วยเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปมันก็จะทำให้เราขี้เกียจทำให้เรารู้สึกว่วงนอนจะทำให้เราไม่สามารถไปปฏิบัติทําได้จะนั่งสมาธิก็สับประกจะเดินจงกรมก็ไม่มีแรงเดิน อย่แต่ถ้ารับประทานอาหารไม่มากเกินไปรับประทานให้พอกับความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะตัวเบาก็ใจก็จะไม่ง่วงเวลาสวดมนต์ก็สวดได้เวลานั่งสมาธิก็นั่งได้เวลาเดินจงกรมก็เดินได้อนี้ประโยชน์ของการรักษาศีลข้อหคือหนึ่ง ให้เราไม่ต้องมปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการกินมากจนเกินไปหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงะเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมจนถึงเวลานอนเลยหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเรายังมีการกินอยู่เดี๋ยวก็ต้องกินตอนบ่ายเดี๋ยวก็ต้องกินตอนค่ำเดี๋ยวก็ต้องกินก่อนนอนมันก็มั่วยุ่งแต่การเริ่มกินเรื่องดื่ม มันก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปภาวนาไปเดินจยงกรมนั่งสมาธิกันเนืองจานพอเราถือศีลข้อหกได้แล้วมันก็จะตัดปัญหาเรื่องกินเรื่องดื่มไปได้ไม่มาบรบกวนใจเราไม่มาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราและไม่มาสร้างความง่วงเหงาหานอนให้กับเราด้วยแล้วเราก็ต้องรักษาศีลข้อเจดด้วย สิ่งข้เจ็ดก็ให้เรางดกิจกรรมทางด้านบันเทิงมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟังดูหนังฟังเพลงหรือล้องรำทําเพลงหรือเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยน้ํามันน้ําหอมด้วยเครื่องสํำอางสําอางชนิดต่างๆเนี่ยการหาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายมันเป็นความสุขเดียวเดียว แล้วก็เดี๋ยวก็พอไปอาบน้ําล้างหน้ามันก็หมดไปแล้วพอจะนอนก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนจากชุดนางฟ้ามาเป็นชุดนอนอนะมัน mm hmm. ก็เป็นการหลอกตัวเราให้หาความสุขแบบปลอมๆไปเท่านั้นเองซึ่เอาเวลาที่เราจะเสียไปกับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายในาการออกไปหาความสุข จากมหาหอรสบันเทิงต่างๆเราก็เอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ทำให้ใจของเราไม่มีความทุกข์ทำให้ใจเราสงบพอใจสงบแล้วความทุกข์ก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องรักษาศินข้อสุดท้ายคือศินข้อที่8ปคือแม่เรานอนบนเตียงที่มี พวกหนาๆเลียงสำราญเนี่ยไม่ต้องการให้นอนแบบสบายเพราะนอนแบบสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปมันจะไม่อยากจะตื่นเพราะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันแสนจะสบายก็จะนอนต่อไปเวลาที่จะเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะหายไปก็จะไม่มีก็จะไม่สามารถที่จะมา สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนต้องหาวันพระกันให้ได้ต้องจัดวันพระให้กับตัวเราให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันในเบื้องต้นอาจจะทดลองหนึ่งวันก่อนแต่ถ้าพอได้ทำไปแล้วพอได้เกิดผลดี ได้รับความสงบได้รับความสุขความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เคยมีหายไปมันก็จะทำให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเองต่อไปวันพราอาจจะเป็นสองวันสามวันสี่วันหรือบางทีเจ็ดวันบางทีก็ไปอยู่วัดทีละเจ็ดวันบ้างไปอยู่ทั้งไปอยู่เดือนหนึ่งบ้าง บางคนช่วงเข้าพรรษาก็ไปอยู่บักทั้งพรรษาก็มีพอเริ่มพบกับความสุขเริ่มเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองดังนั้นถ้าพวกเราต้องการที่จะออกจากกองทุกข์กันเราก็ต้องออกจากบ้านกันอย่าไปอยู่บ้าน ถ้าอยู่บ้านก็ต้องเป็นบ้านแบบที่เป็นวัดคือบ้านที่ไม่มีอะไรบ้านที่โล่งๆแต่ถ้าเป็นบ้านที่มีคนมีข้าวมีของมีเครื่องบันเทิงมีเครื่องอำนวยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี่อย่าไปอยู่นะอยู่แล้วเดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะดูก็เปิดดูอยากจะฟังก็เปิดฟังอยากจะกินอยากจะดื่มก็เปิดกินเปิดดื่ม แต่ถ้าไปอยู่แบบบ้านคนเดียวบ้านโล่งๆเหมือนเหมือนกุฏิวัดนี่ก็อยู่ได้ขออย่าให้มีอะไรมาบรบกวนใจหรือมาดึงใจให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายให้เป็นบ้านโล่งๆไว้สำหรับให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิ<ม>ก็ได้ก็ถือว่าเป็นวัดเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถไปอยู่วัดได้หรือวัด บางทีไปแล้วก็คนเยอะคนแน่นแทนที่จะสงบมันก็ไม่สงบเนก็เสอยู่บ้านของเราดีกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนเราแล้วในบ้านของเราก็ไม่มีอะไรมาล่อใจเราเนี่ยเราสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ในบ้านได้ก็ถือว่าที่นั่นก็เป็นวัดได้เหมือนกันเพราะคําว่าวัดก็คือที่ห่างไกลจากแสงสีเสียง อ่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรถพุทธะต่างๆนั่นเองเป็นสถานที่วิเวกที่สงบสงัดนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหากันในวันพระเบื้องต้นต้องต้องกําหนดวันพระขึ้นมาต้องหาวันพระให้ได้พอได้แล้วก็ต้องหาที่ปฏิบัติให้ได้พอได้ที่ปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ต้องปฏิบัติแล้ว อฏิบัติลเราก็ต้องตัดทุกอย่างออกไปโทรศัพท mm ์มือถือนี่ถ้าปิดได้ก็ปิดไปเลยอย่าไปใช้มัน mm hmm. เพราะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีรูปมีเสียงให้เราดูให้เราได้ฟังอีก mm hmm. เดี๋ยวก็ไปเพลินกับการดูมือถือไปแ mm hmm. ทนที่จะดูพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. ก็ไปดูภาพในมือถือ mm hmm. ไปฟังเสียงในมือถือ mm hmm. แล้วมันก็จะไม่ทําจิตใจให้เราสงบได้ mm hmm. อยถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ปิดเลยดีกว่าหรือถ้าจะเปิดก็เปิดเฉพาะกิจเฉพาะเวลาเช่นเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้คนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยแล้วว่าเรายังสบายดีเรายังไม่ตายนะก็อาจจะเปิดส่งสัญญาณส่งข่าวไปวันละครั้งก็พอติดต่อกันวันละครั้งก็พอเพื่อเขาจะได้สบายใจนอกกนั้นก็อย่าไปรับรู้อะไรเลยดีกว่าไม่ต้องไปกังวลโลกนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ประเทศนี้ยังอยู่เหมือนเดิมรัฐบาลนี้ยังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เป็นเหมือนรัฐบาลเก่านั่นแหละรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลเก่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละฉั้นไม่ต้องไปกังวลกับโล ก, กโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้พอเราไปรับข่าวสารทางโลกแล้วมันจะทําให้ใจเราว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาจะทําให้ไม่มีกรจิตกระจายที่จะภาวนาดีไม่ดีถ้าไปฟังข่าวที่มันกระทบกระเทือนกับ ผลประโยชน์ของเรานี่อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ไนดะ้อาจจะต้องรีบกลับไปจัดการกับผลประโยชน์ป้องกัน ร, รักษาผลประโยชน์ของเราไว้ก่อนอย่านอย่าไปรับรู้ที่มันดีกว่าอะไรมันจะไปก็ให้มันไปเราห้ามมันไม่ได้อยู่แนละ้วแต่เราเรารักษาใจเราได้เรารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับอะไรได้พอเราไม่ทุกข์กับอะไรแล้วเราจะสบายใจไม่เดือดร้อน จะรวยจะจนก็เท่าเดิมสำหรับใจที่ไม่มีความทุกข์จะเป็นใหญ่หรือจะไม่เป็นใหญ่มันก็เท่าเดิมมันเป็นเหมือนหยดน้ำบนใบบัวใจใจมันจะเป็นเหมือนใบบัวมีน้ำกี่หยดหยดนันก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในในใบบัวใจมันจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจไม่มีความทุกข์จะรวยขึ้นก็ไม่ได้สุขไม่ได้ไม่ได้ดีใจขึ้นแต่อย่างใด จะจนลงก็ไม่ได้เสียใจแต่อย่างใดจะเป็นจะตายก็เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกอย่างเนี่ยนี่ลักษณะของใจที่พ้นทุกข์แล้วจะเป็นอย่างนี้จะไม่เดือดร้อนกับโลกกระททั้งหลายเงินจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงก็ไม่เดือดร้อนตำแหน่งจะสูงขึ้นหรือจะลดต่ำลงก็ไม่เดือดร้อนพอจะส ะ, ะสมเรินรดินทาก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปตอบโต้ในโซเชียลหรอเขาจะดา่าเราก็ปล่อยก็ด่าไป ไม่ต้องไปแจ้งไปอะไรหรอกคนมันอยากจะดา่าไปห้ามมันดา่าไม่ได้หรอกปล่อยมันดาไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็อยู่เองถ้าใจมันไม่มีอะไรกับเรื่องนี้แล้วมันไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปแจ้งความอะไรทั้งสิน้นถ้าเราบริสุดสักอย่างเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายสัอย่างใครก็จะมามาม า, มาตำหนิมาอะไรก็เป็นเรื่องของคนตาบอดว่าพูดไปทั้งเอนเพราะไม่เห็นความจริง พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดไปถ้าใจพ้นทุกข์แล้วใจจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นในเรื่องนี้ราบยศสารเสริญสุขจะกลายเป็นการศูนของราบศูนย์ของยศจากสารเสริญจะกลายเป็นอินทาจากสุขจะกลายเป็นทุกข์ใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดถ้าใจพ้นจากความทุกข์ได้นะ ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะคาสอนแล้วพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างก็เอาไปปฏิบัติกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กันอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ในขณะนี้เราต้องเริ่มต้นที่วันพระกันให้มีอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นวันพระให้เราออกจากกองทุกข์ของราบยุสารเสริญสุกันแล้วมาหา ความสงบกันหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันโดยการถือศีลแปดถือศีลแปดเพื่อเพื่อเป็นการแสดงว่าเราต่อไปนี้เราจะไม่หาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดแล้วเราจะมาหาความสุขจากความสงบกันพอเราได้รักษาศีลแปดได้ที่ที่สงบแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเริ่มทําใจของเราให้สงบ เพราะว่าอยู่ดีๆมาอยู่ที่สงบแล้วมาถึงศีลแปดแล้วแต่ถ้าไม่ทำใจให้สงบมันก็ยังไม่สงบอยู่ดีมันก็ยังอดที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้อดที่จะคิดถึงราบยศสารเสญสุขไม่ได้อยู่ดี <Yeah. S 1> ยังนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมคือเราต้องมาหยุดความคิดจงให้ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้คิดอยู่ใจเราจะไม่มีวันที่จะสงบและเมื่อใจไม่สงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นมานั่นเองงั้นพอเราได้ที่แล้วมีวันพระแล้วได้ที่ปฏิบัติแล้วได้รักษาศีลแปแล้วทีนี้ก็มาเรียนวิธีที่จะทำใจให้สงบ ก, กันวิธีที่จะทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกรถยนต์การที่เราต้องการหยุดรถยนต์นี้เราต้องหยุดด้วยอะไร เราก็ต้องหยุดด้วยเบรกที่ปลอดภัยที่สุดถ้าไปเบรกด้วยการชนต้นไม้มันก็เจ็บตัวรถก็พังฉะั้นเราต้องมีเบรกเหมือนรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกรถยนต์มันก็จะไม่หยุดถ้าหยุดมันก็ต้องไปชนอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกันความคิดของเรานี้เป็นเหมือนการวิ่งของรถยนต์ใจของเราวิ่งอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาจนถึงแบบนี้เราก็ยังคิดกันอยู่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ทต่างๆขึ้นมาบางทีก็เกิดความสุขบางทีก็เกิดความทุกข์ส่วนใหญ่มักจะเกิดความทุกข์มากกว่าเกิดความสุขเพราะความสุขที่เกิดจากความคิดนี้มีน้อยมากความสุขส่วนใหญ่นี้ ความทุกข์ความคิดนี้ส่วนใหญ่จะผลิตความทุกข์มากกว่าผลิตความสุขกันอย่างนั้นถ้าเราต้องการมีความสุขเราต้องมาหยุดความคิดกันเพราะเมื่อใจหยุดความคิดแล้วความสุขจะปรากฏขึ้นมาความสงบจะปรากฏขึ้นมาแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกด้วยที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัติสันติปรังสุขัง สุขเอื่อนที่เหนือกว่าความสงบไม่มีไม่มีความสุขกัใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเอนหน้าที่ของเราก็คือต้องหยุดความคิดให้ได้เพื่อทำใจให้สงบและการที่จะหยุดความคิดทำใจให้สงบได้เราก็ต้องมีสติสติคืออะไรสติก็คือการมีอารมณ์คอยควบคุมใจของเราไม่ให้คิดนั่นเอง ให้เราเราลิกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเรายังมีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมายังมีการทำอะไรต่างๆอยู่ท่านก็สอนให้เราใช้พุทธานุสติคือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเรียกว่าพุทธานุสติคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมา ธรรมดาเราจะคิดกันละใช่ยไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนจะทําอะไรจะไปทําอะไรดีแล้วก็คิดถึงเมื่อวานนี้ไปทําอะไรบ้างมีเรื่องอะไรกับคนนั้นคนนี้มันเดี๋ยวมันก็คิดยาวไปเลยอย่างนั้นเราต้องหยุดมันอยากปล่อยให้มันคิดมันไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องน่เหล่านี้คิดไปทําไมถ้าคิดแล้วรวยมันก็น่าคิดอยู่คิดแล้ววุ่นวายใจคิดไปทําไมเอาพูดโทรมาหยุดมันนท่านบอกว่า ถ้าใช้พุทธานุสติก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอลืมตาขึ้นมาพอมันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดกับพุทโธสู้กับมันไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ไปทำภารกิจส่วนตัวไป อ, อาหน้ำหาบน้ า, าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมรับประทานอาหารทําความสะอาดอะไรของบ้านนี้ เราสามารถใช้พุโทโธทำควบคู่ไปกับมันได้เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีพุโทโธเราจะคุมความคิดได้แล้วเวลานั่งสมาธิเราก็จะควบคุมให้มันอยู่กับพุโทโธได้ให้มันหยุดคิดได้ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานจิตมันก็จะรวมเข้าไปในสมาธิพวกที่ใช้พุโทโธนี้มันจะรวมแบบ ตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วก็เน่งสงบแล้วก็พบกับความสุขที่น่ามหาัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆนี้มันจะพบได้แป๊บเดียวแบบงูแลบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบสมาธิแบบนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบชั่วหนึ่งขณะใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้สาหรับผู้ที่ ปฏิบัติเวลาได้พบกับความสงบครั้งแรกนี้มักจะสงบแบบแว บ, บเดียวเพราะกําลังของสติมีไม่มากพอที่จะบังคับให้มันสงบไปนานๆนั่นเองแต่การได้สัมผัสแม้แต่เพียงชั่วแว บ, บเดียวนี้มันก็จะทําให้เกิดกําลังใจขึ้นมาเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นเพราะเริ่มเห็นผลที่ได้จากการปฏิบัติแล้วว่า มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเหมือนกับเราได้ได้ชิมอาหารตัวอย่างนะเขาให้ตักอาหารมาให้เราช้อนหนึ่งแล้ ว, วลองชิมดูสิอาหารนี้เป็นยังไงอถ้ายังไม่เคยกินอาหารชนิดนี้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเอาคนขายก็เอาช้อนหนึ่งไปตักให้ช้อนหนึ่งพอชิมไปเพียงช้อนเดียวทีนี้อยากจะสั่งมาทั้งหม้อแล้วเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราสามารถเจริญสติจนสามารถควบคุมความคิดต่างๆให้มันหยุดคิดได้นะแม้แต่เพียงชั่วขณะเดียวก็ตานะ่างเราจะได้เห็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหนระือว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราของวิเศษที่เงินเท่าเงินกองเท่าภูเขาก็ซื้อไม่ได้ คนที่มีเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถซื้อเงินไม่หาไม่สามารถซื้อความสุขของความสงบได้ที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วก็เกิดขึ้นได้ด้วยการการทำของเราคือด้วยการเจริญสติด้วยการถูกสติด้วยการหมั่นขยันพุทโธพุทโธพุทโธไปเท่านั้นเองไม่ยากเย็นอะไรที่ยากก็คือทำไม่ได้นา น, น, นเทําทำได้สองสามคำหายไปแล้ว พุทโธพุทโธพธปับไปถึงคิดถึงขนมนมเลยแนละ้วคิดถึงเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้นะมันก็เลยไปไม่ถึงไหนทีต้องพยายามบังคับให้มันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้ได้ใหม่ๆก็อาจจะยากอยู่เหมือนกับเวลาเราหัดทําอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดเช่นเวลาเราหัดพิมพ์ดีดใหม่ๆ เ, เราต้องพิมพ์ทีละพิมพ์ทีละ น, นิ้วค อ, อไก่ขอไข่ พิมพ์ไปพิมพ์ไปแต่พอเราหัดพิมพไปเรื่อยๆพิมพไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปก็จะเกิดความชํานาญขึ้นมาเองพอ mm. เ, เกิดความชํานาญแล้วทีนี้พิมพ์แบบรวดเร็วเลย mm. อยากจะพิมพอะไรปั๊บเดียวก็พิมพ์ได้เลย mm. อันนี้ก็เหมือนกานใหม่ๆเราฝึกพุโทโธก็จะรู้สึกว่ามันหายไปเรื่อย mm. พุโทโธได้สองคำหายไปแล้ว mm. ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว mm. พอได้สติก็ดึงกลับมาใหม่ กลับมาที่พุทโธใหม่พุทโธใหม่ใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบล้มลุกคลุกคานเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินน่ยใหม่ๆจะลุกขึ้นมาเดินมายืนมาวิ่งเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยการพยายามอยู่เรื่อยๆพยายามลุกขึ้นมาพอก้าวไปก้าสองก้าวก็ล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ก้าวไปใหม่แดีวก็ได้สามสี่ก้าแล้วก็ล้มลงไปเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ก้าวใหม่ ต่อไปก็เดินได้ยืนได้ต่อไปก็วิ่งได้การฝึกพุทธโธก็แบบเดียวกันเนี่ยไม่ใหม่ก็พุทธโธได้สองสามครัแล้วก็หายไปแต่อย่าเลิกทำต่อไปพอได้สติว่าให้เราไม่ได้พุทธโธอยู่ก็กลับมาพุทธโธพุทธโธใหม่แล้วเดี๋ยวหายไปใหม่ก็ดึงกลับมาใหม่หัดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันจะยาวขึ้นเองต่อไปก็พุทธโธได้เป็นนาทีพุทธโธได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะใกล้สู่ความสงบได้มากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ยังจะไม่รวมยังไม่ตกลุมตกบอก่อมันก็จะรู้สึกว่าเบาขึ้นสบายขึ้นความโล่งความว่างในใจมันมีเพิ่มมากขึ้นความหนักหกหนักใจน้อยลงไปต้องมีความเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดท้นด้วยความเพียร เพียงสร้างสติแล้วก็เพียงสร้างปัญญาสติจะให้ความสงบแบบชั่วคราวส่วนปัญญานี้จะให้ความสงบแบบถาวรเบื้องต้นก็ต้องเอาความสงบของสติก่อนโดยการเจริญพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปสาหรับบางท่านถ้าไม่ใช้พุทโธ ก็ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็คอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในท่าไหนกําลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากันอยู่ในท่านอนกําลังลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมานั่งกําลังลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมายืนเฝ้าดูร่างกายทุกปีรยาบทก็ได้กําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกําลังอาบน้ําก็รู้ว่ากําลังอาบน้ํา ให้สติมีอยู่กับการทำงานของร่างกายแทนอยู่กับพุโทโธก็ได้อันนี้ก็จะหยุดความคิดได้เหมือนกันอย่างนี้เราเรียกว่ากายกตาสติถ้าเรามีกายากตาสติ i, เราเฝ้าดูร่างกายอย่างต่อเนื่องเวลาเรานั่งเฉยๆเราก็มาดูที่ลมหายใจแทนเพราะเวลานั่งเฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็มาดูที่ลมหายใจแทนดูที่ปลายจมูกก็ได้ รู้ที่ดูที่หน้า อ, อกหน้าท้องก็ได้มีสองที่ที่เราจะสามารถดูงมได้ว่ามันเข้าหรือว่ามันออก<ม>ถ้าดูที่หน้าท้องเวลาเข้ามันก็หน้าท้องก็จะพองขึ้นมามเวลาออกมันก็จะยุบเข้าไป<ม>หรือถ้าดูที่ปลายจมูกก็จะเห็นว่ามันกำลังเข้าหรือมันกำลังออก<ม>ให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดดูไปเรื่อยๆ แล้วใจก็จะสงบไปทีละขั้นทีละขั้นดูลมนี้มักจะไม่ตกหลุมตกบ่อนะไม่เหมือนกับพุทโธถ้าพุทโธนี่มักจะตกหลุมตกบอ่อแต่ถ้าดูลมนี้มันจะตกทีละนิดทีละขั้นบันไดมันไม่ตกมากมันสงบทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นขั้นไปก็ <roup. S 1> อย่างใดก็ถือว่าเป็นความสงบเหมือนกันเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่ง จะพุทธานุสติก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธไปจะใช้กายกตาสติก็ดูเฝ้าดูร่างกายไปจะดูลมหายใจต้อเรียกว่าอานาปนาสติก็ดูลมหายใจไปถ้าเรามีสติจดจอ่อเฝ้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้แร้วใจเราก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้ถ้ามันคิดเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามคิดกับมัน แล้วก็คอยเฝ้าดูลมไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปหรือบริกรรมพุทโธไปเดี๋ยวต่อไปความคิดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบได้แล้วก็จะมีความสุขจะทําให้เราเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขที่เราได้จากนาบยศรสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกับความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันดีกว่าเยอะแยะมันไม่วุ่นวายมันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องใช้อะไรมากความสุขจากราบยศสรเสร น, นี่มันต้องใช้ร่างกายต้องใช้คนนั้นคนนี้มาช่วยหาต้องใช้แรงอะไรต่างๆมากมายแล้วถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปไม่มีความสามารถก็จะหาไม่ได้หรือถ้าไม่มีเงินทองไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็จะหาไม่ได้ แต่การมาหาความสงบนี้มันไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้พุโทโธคำเดียวเท้านั้นใช้ศีลแปลดมาสนับสนุนใช้สถานที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีหาความสุขต่อไปเราก็อยากจะไปอยู่วัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยจากเดิอนมาทิ์ละหนึ่งวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวัน4ี่วันเพิ่มไปเรื่อยๆ พรทุกครั้งที่มาปฏิบัติมันได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ลดน้อยลงไปนั่นเองเวลากลับไปที่บ้านความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นความสุขก็หายไปมันก็จะทำให้เราเริ่มเห็นความแตกตา่างว่าอันไหนจะดีกว่ากันแล้วนะรับรองได้ว่าถ้าเราปฏิบัติไปแบบไม่หยุดแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะไม่อยากจะกลับไปบ้านนะอยากจะไปอยู่วัดตลอดเวลาอยากจะไปเป็นนักบวชอยากจะไปปฏิบัติ เพื่อทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเราก็ต่อไปก็อาจจะไปอยู่วัดอย่างถาวรก็ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นปัญญาพอเราได้สมาธิแล้วได้ความสุขจากสมาธิแล้วเราก็ต้องไปสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะใช้ปัญญาคอยรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธิให้อยู่อย่างถาวรไม่ให้มันจางหายไปด้วยการคอยทาลายความอยากต่างๆที่จะมาคอย ทำลาย galaxies, ความสงบที่ได้จากสมาธินี่เองพออยากได้อะไรก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้หรือถ้าอยากจะได้คนก็พิจารณาอสุภะของเขาพิจารณาความไม่สวยงามของเขาพอเห็นเขาไม่สวยงามก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนถ้าอยากได้อาหารก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร พอเห็นอาหารในจานแล้วน้ำลายไหลให้ไปดูอาหารเวลามันอยู่ในปากอยู่ในท้องเวลามันขับถ่ายออกมาถ้าเห็นอาหารแบบนั้นแล้วความอยากกินอาหารมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปกินอาหารไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีอะไรทั้งสิน้นแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปพอหมดแล้วทีนี้ใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากกับอะไรอีกต่อไป อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร <Yeah. S 2> ความทุกข์ต่างๆ mm hmm. ที่เคยมีอยู่ในใจนี้หายไปหมด mm hmm. กลายเป็นอดีตไปหมดเรื่องของความทุกข์ตอนนี้ความทุกข์ของพวกเรานี้มันยังเป็นปัจจุบันอยู่มีอยู่ทุกวันทุกเวลาดังน mm ั hmm. ้นขอให้เรา mm hmm. เข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้านี้มีเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหน mm hmm. อยู่ที่การดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรา เราจะได้ไม่ท้อแท้เวลาเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นบางทีเราจะคิดว่ามาปฏิบัติธรรมสามวันแล้วกลับไปชีวิตจะดีขึ้นสามีภรรยาจะรักเรามากขึ้นหรือเงินทองจะไหลามามากขึ้นนี้ถ้าไป ค, คิดอย่างนี้แล้วเป็นความคิดผิดเพราะมันจะผิดหวังเพราะมันจะไม่เกิดเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อดับความทุกข์ในใจเท่านั้น น, นี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาิวาหาปุราปาริปุเรติสาคลังเอวมีวอิโตจินังเปตานาังอุปกาปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปะยันโทปนะวัสสุยะธาเมณิโชติวัสสยะธาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศิริสานิจังวุทธาปจายโนจตารุธรมมวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม คำตอบใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วทางทีมงานจะได้เอาคำถามมาสําสำหรับวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ สำหรับวันนี้ค่ะพระอาจารย์ Facebook พระอาจารย์สุชาติ460 Facebook พออจอสุชาติ62ยอดรวม Facebook 522 YouTube 216วิทยุออนไลน์10 Zoom 7ผู้รับฟังหน้ากุฏิ150รวม905ท่านค่ะก็ถามได้เลยถ้าใครมีคำถามคำถามจากหน้ากุฏิค่ะ หากมีเพื่อนมาแนะนําให้นับถือบูชาพญานาคเขาบอกว่ากิจการงานจะดีขึ้นได้โชคอย่างไม่คาดฝันเราควรจะบูชาหรือปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อล้อเราเชื่อเราก็บูชาไปตามความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ต้องบูชาถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็มาศึกษาธรรมะดู ธรรมะบอกว่าเป็นเรื่องงมงายเรื่องการที่จะบูชาอะไรแล้วจะทำให้เราร่ำรวยให้สุขให้เจริญธรรมะของพระเจ้าสอนว่าเราจะดีจะเชั่วจะสุขจะไม่สุขจะเจริญไม่เจริญอยู่ที่การกระทําของเรา<อ>คือกรรมถ้าเราทำกรรมดีทำความดีเราก็จะสุขจะเจริญอาจจะไม่ร่มไม่รวยแต่ใจเรารวยทางใจ รวยด้วยบุญด้วยกุศลซึ่งเป็นทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่เดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเห็น <Yeah. S 1> ถ้าคนบูชาพญานาคร ว, วยกันมันก็ต้องรวยกันทุกคน <Yeah. S 1> ถ้าบูชาแล้วไม่รวยก็แสดงว่ามันไม่จริง <Yeah. S 1> ก็ลองไปทำสำรวจดูเสียว่ามีคนกี่คนที่บูชาพระญานาคแล้วเป็นยังไงรวยขึ้นหรือจนลง yeah. มันต้องมีหลักฐานมีข้อมูลไม่ใช่พูดกันแบบร อ, อยลอยแล้วก็จะให้มาเชื่อกันนีงไม่ใช่ลักษณะของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็พูดอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่อย่าเพิ่งไปปฏิเสธฟังหูไว้หูแล้วก็ไปพิสูจน์ดูก่อนว่าเป็นไปตามที่เ็าพูดหรือไม่ถ้าไม่ถ้าเป็นไปก็ทำตามได้ ถ้าไม่เป็นไปก็อย่าไปทำเท่านั้นเองคําถามจากคุณบงกฎค่ะลูกบวชแต่ว่าแม่ไม่ได้มางานบวชลูกจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกแม่ไม่บาปหรอกแม่ที่ไม่ได้บางงานบวชเพราะแม่อาจจะติดธุระแล้วไม่สะดวกเช่นแม่ไม่สบายนอนบนเตียงนี้ก็มาไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้บุญนั้นเองไม่ได้มาร่วมบุญกับการประเพณีการบวช แต่บุญก็ได้น้อยมากอยู่บ้านภาวนาพุทโธอาจจะได้บุญมากกว่าจะได้ซ้ำไป <c oughs> คำถามจากคุณจุธาพรค่ะตักบาตรปกติทุกวันพระจะให้พรญาติโยมแต่ตอนนี้พระที่ดิฉันตักอยู่แจ้งว่าไม่มีการให้พรแล้วเนื่องจากผิดวินัยสง <c oughs> การให้พรตอนตักบาตรตอนเช้าไม่ถูก <c oughs> ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะการให้พรนี้มันเป็นของแถมน่ คาจริงการทำบุญนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้พรเพราะทำบุญมันได้พรในตัวของมันเอง mm. การกระทำบุญเนี่เป็นพรนะ้ว mm. พอทำแล้วผลของการทำบุญมันก็เกิดขึ้นที่ใจเราแล้ ว, ลวเกิดความสุขเกิดความเจริญในใจของเราแล้วดังนั้นการที่จะให้ใครมาให้พรนั้นก็เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องของการแสดงความยินดีมากกว่าเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการทำความดีของเรา แต่ไม่ได้ทําให้เกิดบุญมากขึ้นจากการให้พรของพระหรือของใครก็ตามดะงนั้นจะให้จะมีการให้พรหรือไม่ให้มีการให้พรมันไม่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าได้ทําบุญหรือไม่ได้ทําบุญถ้าได้ทําบุญแล้วได้บุญแล้วใครจะมาให้พรกี่คนนะให้สังฆราชมาให้พรมันก็ไม่ได้เพิ่มให้บุญที่ทํานั้นมากกว่าเดิมมันก็เท่าเดิมเพราะมันคนละเรื่องกัน คนเราไปมองไม่เห็นบุญไงบุญมันเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นในใจของเราเราความเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจสบายใจขึ้นมานั่นแหละ บ, บุญทีเราไปติดอยู่ที่ว่าเป็นคนที่มาให้พรเราโอ้ถ้าคนนี้เป็นพร ะ, ะ, ะนู่นพระนี่มีรถยศฉนันชนนี้โอ้ยิ่งทําให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นแต่มันเป็นความสุขปอมเป็นความสุขปรุงแต่งไม่ได้เป็นความสุขจริงเหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทําบุญ ดังนั้นไม่ไม่สําคัญนะเรื่องการให้พรให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คําถามจากคุณประสงค์ค่ะนิมนพระสวดมนให้หมาแมวตายนี่ผิดไหมคะพระอาจารย์ไม่ผิดหรอกเพียงแต่มันก็สวดก็ไม่ได้อยู่ดีสวดให้คนก็ไม่ได้สวดให้แมวหมาแมวก็ไม่ได้เพราะคนตายไปแล้วนี้รับบุญไม่ได้นอกจากบุญอุทิศที่ทําบุญแล้วอุทิศไปให้เขาเท่านั้นเองส่วนบุญได้ก็จากการสวดมนท่านบอกต้องสวดก่อนตาย ถ้าอยากจะได้บุญจากการสวดมนต์ต้องสวดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะการสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิทําใจให้สงบนั่นเองเแอนถ้าจะสวดมนต์ต้องสวดตอนที่เรายังเป็นอยู่อย่าอย่าไปสวดตอนตายเนี่ยเขามีคําพูดว่าถ้าจะไหว้พระให้ไหว้ตอนที่ยังเป็นมีชีวิตอยู่อย่าให้เขาจับมือมัดตาสางาังลวไหว้ถ้าจะเข้าวัดก็เข้าแบบเดินเข้าวัดไปอย่าให้เขาหามเข้าวัดไป ถ้าจะสวดมนต์ก็อย่าให้รอให้พราะมาสวดให้เราสวดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะบุญนี้ต้องเกิดจากการกระทาของเราไม่ใช่เกิดจากการกระทาของผู้อื่นค่ะคำถามจากคุณโลกนี้เป็นทุกข์ค่ะ รู้สึกทุกใจหนักมากในบางเรื่องอยากไปนิพพานอยากทราบว่าผู้ที่ล่วงเข้าดินแดนนิพพานแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนฝันไปหรือมีสติตื่นตัวรู้ตัวเป็นปกติเหมือนตอนตื่นนอนหลับอ๋อก็ต้องไปเป็นไปนิพพานแล้วก็จะรู้เองเสิบ ป, ปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นยังมาปฏิบัติธรรมมาฆ่ากิเลสมากำจัดความโลภความโกรธความหลง เดี๋ยวก็ถึงนิพพานเองแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรคําถามจากคุณโลกนี้เป็นทุกต่อคะ่ะไม่อยากติดอยู่ในเหยื่อล่อของกิเลสเจ้าคะ่ะแต่ติดตรงรสชาติอาหารเจ้าคะ่ะพอรับประทานอาหารแล้วมันสัมผัสกับรสชาติอาหารที่อริดอร่อยมันรู้สึกหลงไหลกับรสชาติดบับลึกๆทํายังไงไม่ให้ติดรสชาติอาหารเจ้าคะก็คายออกมาเลยคายออกมาแล้วตัดเข้าไปกินใหม่ ดูหน้าดูตามาสัหน่อยว่ารสชาติอร่อยนี่หน้าตามันเป็นยังไงบ้างหรืออาเจนออกมาแล้วก็ค่อยตัดเข้าไปคำถามจากคุณจิมค่ะหลังจากปฏิบัติสมาธิภาวนากลางคืนรู้สึกตัวตื่นประมาณตีสองรู้สึกกายกับจิตแยกชัดเจนจนต้องยกมือขยับตัวว่าตายหรือยังและมีอาการวูบดับ เวลาหลับตาทำให้ไม่กล้าหลับตาค่ะรู้สึกกลัวลุกขึ้นมาเดินจงกลมก็เห็นกายเดินแยกจิดชัดอาการนี้คืออะไรเจ้าคะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะอาการหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเวลานอนหลับก็ต้องปิดตาทาไมเห็นกลัวตอนนอนหลับพอมานั่งสมาธิมาหลับตามากลัวทำไมมันก็เหมือนกันใช่ไหมเวลานอนหลับเราเปิดตาเปล่าไม่เปิดนอนหลับแล้วเรา สบายไหมสบา ย, ไ ม, ม ไ, ายไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเว่งนั่งสมาธิหลับตาก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเรากลัวไป <S 1> <S 1> <S 1> สิ่งที่ปรากฏในสมาธิมันก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราเห็นในจอมันไม่สามารถมาทําอะไรกับคนดูได้คนดูกับภาพยนตร์มันคนละอยู่คนละมิติกัน <S 1> <S 1> <S 1> ภาพที่อยู่ในจอมันก็เป็นก็สแสดงอาการของมันไปในจอเท่านั้นเอง แต่คนดูมันไม่ออกมาจากนอกจอแล้วมาทำให้คนดูเป็นอะไรไปอย้างใดจิตก็ไม่ได้เป็นอะไรกับภาพที่ปรากฏขึ้นมาในจิตเนยงนั้นไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวมันเป็นภาพเหมือนภาพภาพยนต์ถ้าไม่อยากจะดูมันก็พุโทโธพุโทโธไปหรือมาดูลมหายใจแทนอย่าไปนสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเอง คำถามจากอินบ็อกค่ะผมมีเรื่องเรียนถามครับผมสมาธานศีลห้าจะรักษาไว้ให้ได้ตลอดชีวิตแต่เมื่อวันหนึ่งสามารถทำได้ถึงระยะที่เราไม่พลั้งเผลอในการละเมิดศีลแล้วโดยไม่ต้องระวังก็ไม่ละเมิดถือว่าการสมาทานศีล น, นั้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับควรทำอย่างไรต่อไปให้เจริญก้าวหน้าในธรรมต่อไปครับโอการสมาทานนี้มันสมบูรณ์ตั้งแต่เราสมาทานแล้ว มันอยู่ที่การรักษาศีลต่างหๆที่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ mm hmm. การสมาทานก็เป็นแารการตั้งเจตนาว่าเอาไป น, นี้ข้าพเจ้าจะรักศีลห้าให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นเจตนาความตั้งใจทีนี้จะสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่การรักษา mm hmm. ถ้าเรารักษาได้ก็ถือว่าเราสําเร็จท mm hmm. นั้นเองที่เราจะไม่รู้ว่าสําเร็จได้ยังไงเมื่อเรายังไม่ตายเดี๋ยวพวกนี้เราจจะนึกจากจะไปกินเหล้าขึ้นมาก็ได้ mm hmm. นึกอาจจะมาขโมยทรัพย์ของผู้อห็นขึ้นมาก็ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นอย่างไรให้เราดูในปัจจุบันก็นแล้วกันว่าตอนนี้เรารักษาสี่ห้าได้อยู่หรือเปล่าถ้ารักษาได้ก็รักษาไปเรื่อยๆถ้ารักษาไม่ได้ก็พยายามแก้ไขใหม่ถ้าขาดบ้างก็รู้ว่าตอนนี้เราขาดก็ไม่เป็นไรก็กลับมารักษากันต่อได้ก็รักษาไปเรื่อยๆ คำถามจากอินบ็อกค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกไปมาบางครั้งมือก็จะโยกออกมาจากที่ว่างควรจะทำอย่างไรต่อเจ้าคะแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วถ้าร่างกายเราโยกไปโยกมาต้องดึงสติกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะไม่โยกคุณชุธาพร ขอถามต่อเจ้าค่ะสงสัยที่พระแจ้งว่าหากให้พรพระที่ให้พรจะผิดวินัยสงอันนี้เป็นข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าคะไม่ผิดหรอกงั้นก็ให้พรยังไม่ได้สิแต่ว่ามันกาลเทศะเวลาไหนควรให้เวลาไหนไม่ควรให้เวลาบิณฑบาตนี้ไม่ใช่เวลาที่จะให้พรถ้าให้พรในบ้านเมนื่อช้าในคนใส่บาตรตั้งสองร้อยสามร้อยกว่าค น, นก็ต้องให้ทีละคนเพนยังก็ยังไม่เสร็จนะ งั้นมันต้องมีการละเทสะะงั้นบิณฑบาตนี้ไม่นิยมให้พรรับมีแต่รับบาตแล้วก็ไปเดินไปทำรวมไปญาติโยมก็จะเก้าจะไหวจะกวดน้ําไปก็ทําไปได้ไม่ต้องรอให้มาพระมาสวดให้งั้นเป็นเรื่องการให้พรนี่มันเป็นเรื่องของการละเทสะไม่เป็นสิ่งที่เสียหายมันเป็นธรรมเนียมที่ดีแต่ต้องทําให้ถูกเวลาถูกกับการละเวลาเท่านั้นเอง คำถามจากพี่ตุ้มค่ะอยากถามว่าเวลาทำบุญทุกครั้งผมไม่มีความสุขครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาทำบุญเอาเงินของใครา Din, มราทำหรือเปล่าเอาของเราหรือของคนอื่นเช่นเช่นพ่อให้ไปตักบาตรพ่อแม่ใช้เราไปตักบาตรนี่เราอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะเราไม่ได้เสียสละอะไรและเราจะทำเพราะเราถูกถูกสั่งให้ทำ การทําบุญนี้ต้องเป็นหนึ่งเป็นสมบัติของเราเป็นข้าวของของเราแล้วถ้าอยากจะให้ได้ความสุขต้องเป็นของที่เรารักเราชอบถ้าเราให้ของที่เราไม่รักไม่ชอบมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราเสียสละของที่เรารักไปนี้เช่นพ่อแม่ไม่สบายสละตายให้แม่สักข้างอย่างเงี้ยแม่ต้องการตายของเราเราบริจาคตายให้แม่เราจะรู้สึกมีความสุขมากเพราะเราได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละของเรา ถ้าเราทำให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคําถามจากคุณมหาคะ่ะการให้ทานนี้สําเร็จทันทีเมื่อเราให้ทานและสามารถอุทิศส่วนกุศลแห่งกาแห่งทานทมไมไปให้ผู้วายชนได้ไหมครับท่านเหล่านั้นจะได้รับผลแห่งทานทำไมไหมครับได้พอทํ า, าเสร็จก็ใส่บาสเสร็จก็กวดน้ําอุทิศบุญได้เลยไม่ต้องกวดน้ําก็ได้น้ําไม่จําเป็นต้องมีก็ได้น้ําเป็นเพียงแต่เป็นเป็นเหมือนตัวอย่างของบุญ ว่าบุญมันเป็นความรู้สึกมองไม่เห็นด้วยตาก็เลยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างแทนเราเทน้าออกจากใจเหมือนเราเทบุญออกจากใจเราไปสู่ใจของผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว mm. ก็เลยใช้น้ำเป็นตัวอย่างของบุญแตไ่ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ให้นะลึกภายในใจของเราว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในวันนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงับไปแล้วก็สาเร็จประโยชน์แล้ว ตอนนี้คําถามหมดก็เข้าใจสามนาที 33, 31, 33. สามสิบสามสามหนึ่งสามสามคำาเชิญถางได้น้อมรักการค่ะค่ะคถ้าความสงบด้วยฌานนะครับถือว่าเป็นความด้วยฌานด้วยฌานถ้าเกิดประส ม, มุติอย่างเช่นเป็นพังคานุปัสนายานอย่างเงี้ยครับอืเรา ส, รสองระดับนะสงบด้วยฌานกับสงบด้วยฌาน อย่างก็เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญา<ม>ก็เป็นความสงบแบบถาวรถ้าเป็นความสงบแบบชานก็เป็นความสงบแบบชั่วคราวแบบสมาธิมีสองระดับครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ไม่น่าใจาว่าอย่างถ้าเกิดขยายความอย่างถ้าเกิดสมมติเรากําลังจะติดใจให้ห่างใสอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้ยานพิจารณาให้สงบอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นโศปฏาวรหรือเป็นชั่วข่าวในขณะที่เราใช้อะครับคือมันต้องเกิดทุกข์ก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญามาดับความทุกข์เพื่อทําให้ใจให้สงบได้เช่นเรากําลังจะสูญเสียชีวิตเราหรือว่าเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายแล้วใจเราเครียดเราก็พิจารณาดูร่างกายของเราว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องตายไปเป็นธรรมดาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ปล่อยให้มันตายได้เพราะปล่อยให้ตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความความกลัวตายและความกลัวเจ็บมันก็จะหายไปอย่างนี้มันก็จะหายแบบถาวรต่อไปมันก็จะไม่กลัวตายต่อไปครและอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังจะกลัวไปกับการสูญเสียคนที่เรารักแล้วเราใช้ยานมากํากับณช่วงขณะนั้นให้เรา จิตใจสงบตายก็ตายปล่อยก็ยปล่อ ย, ยไม่มีอะไรอย่างี <SAM> e ย่งี้ก็ถือว่าเป็นถานวรเอาชั่วครับพอใจก็ต้องดูว่ามันปล่อยด้วยด้วยด้วยปัญญาหรือปล่อยด้วยอะไรถ้าเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันต้องจะต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเป็นร่างกายของใครก็ตามอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาแต่บางทีมันปล่อยเพราะมันไม่รู้จะทําไงมันจนจนใจให้มันไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยอย่างนั้นมันก็จะปล่อยเป็นเฉพาะก <c oughs> ิจไป เดี๋ยวคราวหน้ามันก็อาจจะไปติดกับร่างกายของคุณคนอื่นมาต่อไปก็ได้ต้องเห็นว่าร่างกายทุกคนเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดก็ต้องดับเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเพราะนั้นแ่ะมันถึงจะไม่ทุกข์กับร่างกายของใครต่อไปครับและถ้าเกิดว่าสมมติเราตายตอนที่เราทรงยานอยู่ครับเราจะไปพุ่มภูมไหนครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ายานเราอยู่ในระดับไหนไงยานถึงวิปัสสนาใช่ไหม อมันก็มีระดับโสดาบนันขึ้นไปสกิฎาคาอนาคาคาและอาลาหารหันต์แล้วแตเ่เราได้ยานขั้นไหนเราก็จะไปอยู่ในขั้นนั้นอได้ยานขั้นโสดาบนันก็จะไปเป็นโสดาบนันได้ยานขั้นสกิฎาคาก็ไปเป็นสกิดาคาถ้าได้ยานขั้นอนาคาคาก็ได้เป็นอนาคาหมายถึงอย่างเช่นว่า ไม่รู้ว่ามีเก้ายานหรือสิบหกยานเบอร์มากคือสูงกว่าหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแค่ว่าระดับของยานนั้นที่ได้ว่าขั้นละเอียดมากละเอียดน้อยอย่างนี้หรือเปล่าครับที่พระอาจารย์ไปถึงในของยานนั้นนั้นคือยานนั้นก็จะละเอียดขึ้นไปตามลําดับขั้นของของธรรมที่เราปฏิบัติขึ้นไปขั้นโสดาบันมันก็ยากกว่าขั้นสกิรดาคานะมันก็เป็นขั้นขั้นขึ้นไปของมันเองทีนี้ถ้าเกิดว่า อ่าถ้าเราในเปลี่ยนเรื่องนะครับถ้าเราไม่สามารถให้อาภัยคนหนึ่งได้เรามีอารมณ์ช่างมึงเขาทําอะไรก็ได้อย่างนั้นคําถามคือจะมีโอกาสไหมครับว่าถ้าติต่อไปเราจะต้องเกิดไปเจอเขาแล้วเราต้องไปเอาคืนเขาตามกฎแห่งกรรมถ้าบได้เรายัางจองเวรจองกรรมอยู่เราก็ยังจะไปจองเวรกันต่อถ้าเราไม่จองแต่เราไม่ให้อาภายัยเราถือว่าจองเวร น, นะครับเราไม่ให้อาภายัย เขไม่รู้เป็นยังไงไม่จองเวรแต่ไม่ให้อภัยก็เฉยๆไปกับเรากันประมาณว่าคือก็เฉยๆเจองันก็เฉยๆไปก็ไม่จองเวรแต่ก็ไม่ให้อภัยอาจจะไม่อภัยเพราะว่าจำไว้จะได้ไม่จะได้เข็ดหลาบจะได้ไม่ไปยุ่งกับเขาอีกก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเจอเขาใช่ไหมครับถ้าแบบนี้ถ้าบางทีเจอก็เฉยๆไปเป็นอุเบกขาไปไม่รักไม่ชังไม่ให้อภัยแต่ก็ไม่จองเวรก็อยู่ตรงกลางเหมือนเกียร์ว่าง ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแล้วมีไหมครับว่าทําแบบไม่ต้องเจอเลยหรือมันก็ต้องเจอครับไม่มีใครรู้หรอกนะอนาคตว่าจะไปเจอใครหรือไม่เจอใครมัน เ, เป็นเรื่องที่ทุกคนเวนว่ายตายเกิดกันไปเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยมไม่รู้จะไปเจอเก้าอี้ตัวไหนเดี๋ยวพอใครเล่นดนตรีไหมเก้าอี้ดนตรีเขาให้เราเดินรอบเก้าอี้เดี๋ยวพอดนตรีหยุดก็ให้นั่งตรงเก้าอี้ตัวนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบต่อไปไมันจะกลับมาเจอเก้าอี้ตัวเดิงรึเปล่าครับ <c oughs> แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรไหมครับที่ทําให้เราได้เกิดมาเป็นคู่กันในห ล, หลายๆชาติสม่ําเสมอครับตามตามตามคัมภีร์ท่านก็บอกว่าทําบุญเท่ากันทาทานเท่ากันรักษาศีลเท่ากันปฏิบัติธรรมเท่ากันก็เหมือนรถสองคันอะถ้าขับความเร็วเท่ากันมันก็ไปคู่กันไดนะ้แต่ถ้าคันหนึ่งเร็วกว่าคันหนึ่งคันหนึ่งช้ากว่ามันก็เดี๋ยวก็ต้องทิ้งระยะห่างกันไป ขออีกสองครับกันสันเอาเลยกี่ท่อก็ได้แล้วการเลือกเลิกเกิดของลูกเช่นในปีนักษัดที่ดีหรือในเดือนที่ดีเวลาที่ดีงเงี้ยครับมีผลกับการที่ลูกที่มาเกิดมีบุญบารมีมมเลือกตอ<บ>นออเวลาวการเวลาไม่ได้เป็นตัวกำหนดความดีความเชื่อของคนอยู่ที่บุญกรรมที่ทำไว้เป็นตัวกำหนด ทำบาปแล้วไปทำความชั่วอทำบาปแล้วได้ได้เลือกดีก็เช่นไปดูเลือกว่าวันไหนไปป้นแบงดีไปพ้นแบงดีวันนี้เลือกดีพ่นแล้วได้เงินมา ก, ก็จางแต่มันก็ยังเป็นบาปอยู่ใช่ั้มอยู่ที่เลือกอยู่ที่อามมันอยู่ที่การกระทำว่าดีหรือไม่ดีการกระทำดีมันก็ดีการกระทำไม่ดีมันก็ไม่ดี อันสุดท้ายครับเมื่อกี้ที่พระอาจารบอกว่าอย่างถ้าเกิดเราทำทานเราอุทิศให้กับผู้ที่ร่วมลับไปแล้วได้ถ้าเป็นลักษณะของศีลสมาธิปัญญาเราสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับก็เทาที่ได้ยินมาจากพระธรมภี์ท่านก็สอนอุทิศบุญด้วยการทําทานพอะจะเป็นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้พวกเรายังเข้าไม่ถึงเห็นพวกเราเข้าถึงด้วยการทําทาน พระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พวกเราทําทานเพื่ออุทิศปุณครับถึงทันทีเนี่ยพอถวายของเสร็จก็ได้นั่งสมาธินี่ยังล้มลุกคุกคานอยู่ยังไม่ได้ผลคนรอรับปุณก็เหนื่อยก็ไม่มารอรับปุณจากเราจากการที่เรายังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติธรรมไมได้ครับ ข, ขอบคุณครับโอเคนะ เอาเลยข้านาทีมีคําถามอีกไหมมีคําถามค่พระอาจารย์คำถามจากคุณอธิวัดค่ะวัดทางบ้านของดิฉันมีโยมเอาเงินใส่บาตรทุกวันดิฉันไม่กล้าเอาเงินใส่บาตรถ้าเอาเงินใส่บาตรแล้วจะผิดไหมคะพระอาจารย์โยมไม่ผิดแล้วแต่พระผิดเพราะพระห้ามไม่ให้รับเงินทองกับมือของตนเองถ้าจะให้เงินทองต้องฝากให้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้เพื่อที่จะดูแลรักษาให้พระ ท่านไม่ให้พระครอบครองเงินทองเก็บไว้ใช้เองซื้อของเองแต่ให้ฝากับลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้เวลาต้องการใช้อะไรซื้ออะไรก็บอกลูกศิษย์ให้เป็นคนไปซื้อมาให้คำถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะ ทำไมเราต้องมีเรื่องราวมากมายทั้งทางกายและทางใจยิ่งนานวันรู้สึกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยที่ผ่านมาต่อสู้ลำบากมาทั้งชีวิตขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็นั่นแหละชีวิตก็คือความทุกข์ไงมันก็ต้องวุ่นวายไปกับเรื่องนั่นเรื่องนี้เพราะเรื่องต่างๆมันไม่มันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวก็หายไปสลับกันไปสลับกันมาสามวันดีสี่วันไข้ นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่อยากจะมาวุ่นวายกับโลกนี้ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองเสร็จแล้วยังคํนาถามจากคุณมีเจ็บค่ะหวยและลอตเตอรี่ถือเป็นการพนันหรือเปล่าผิดศีลหรือเปล่าคะพระอาจารย์อยู่ที่คนเล่นนะถ้าคนเล่นที่ว่าเป็นการทําบุญก็ไม่ผิดศรรีลหรือว่าซื้อหวยให้รัฐบาลรัฐบาลก็เอาเงินไปช่วยคนยากคนจนหลือไปทํางานสาธารณะประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญ เสียโชคไปถ้าถูกก็ดีถ้าไม่ถูกก็แล้วไปไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพถ้าถือเป็นอาชีพว่าต้องรวยต้องได้นี่มันก็จะเป็นอบายามุขไปคําถามจากคุณโลกนี้เป็นทุกข์ค่ะเราควรกําหนดลมหายใจอย่างไรเวลาทําอาณาปานาสติเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าการทําสมาธิไม่ค่อยก้าวหน้าเจ้าคะ่ะลมเราไม่ต้องไปกําหนดอ่ะมันมันมันหายใจอย่างไงอย่างตอนนี้มันหายใจอย่างไงก็ปล่อยมันหายใจไป เราเพียง แ, แต่มาดูดูมันเท่านั้นเองคําว่ากําหนดลมนี้ไม่ได้ไปไปบังคับให้ลมหายใจสั้นหายใจยาวหายเข้าหายออกกําหนดลมก็คือกําหนดจิตให้มาดูลมเท่านั้นเองลมจะหายใจยังไงก็ปล่อยมันหายใจไปตามปกติของมันอย่าตอนนี้มันหายใจยังไงก็ปล่อยมันหายใจไปเราก็เพียงมาดูว่า้ตอนนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกว่ามันสั้นหรือมันยาวมันหยาบหรือมันละเอียดก็ดูมันไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปบังคับตัวลม เราต้องการบังคับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆโดยอาศัยการดูลมเป็นตัวดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดนั่นเองคำถามจากคุณดิศยาค่ะชอบกินขนมมากเลยฝึกไม่กินขนมเลยเป็นเดือนรู้สึกว่ากดดันความอยากก็มากขึ้นกว่าเดิมจะต้องฝึกอย่างไรเจ้าคะก็ต้องดูขนมตอนที่มันอยู่ในปากหรืออยู่ในท้องเป็นตอนที่มันถ่ายออกมาถนะ้าเห็นภาพของขนมเหล่านั้นแล้วมันก็จะหายอยากกินขนมนะค แต่ถ้าไปเห็นมันในจานมันก็อดไม่ได้เห็นในจานเขาตกเขาแต่งก็สวยหไหมมีสีมีสันมีรูปมีร่างมีกลิ่นอะไรก็อยากขึ้นมาเพรนั้นเวลาอยากจะกินอะไรให้มองมุมกลับม้างอย่าไปมองมุมที่มันน่ากินอันมองมุมที่มันไม่น่ากินเวลาที่มันเคี้ยว อ, อะไรอร่อยในปากเราประสมกับน้ําลายเรานี่ควรจะคลายออกมาดูหน้าตามันหน่อยว่าอหน้าตามันเป็นยังไงว่าแสนจะอะไรอ ร, อ ร, อร่อย อันดูว่าจะต่างกับเข้าไปกินในป่าได้ก็เปล่าค<ท>ำถามสุดท้ายค่ะจากคุณต้นกล้าค่ะรบกวนพระอาจารย์เมตตาอธิบายขันห้าเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะปุถุชนยังต้องใช้ขันห้าในการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมก่อนขันห้าก็สรุปก็คือร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดของเรานี่เองร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใบไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเราเพียงแต่มาใช้มันเท่านั้นเอง ร่างกายก็เป็นเหมือนมา้าส่วนเราก็เป็นเหมือนคนขีม่ม้าใจก็คือคนขีม่ม้าใจก็คือคนที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่เองคือขันนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อกลายเป็นขันห้าขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนกว่าร่างกายจะหมดลมหายใจก็แยกออกจากกันไปนั้นเราอยู่ที่ขันเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะเราไม่ต้องไปกลัวเวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับมันเราเป็นเจ้านายของร่างกายใช้ร่างกายพอร่างกายใช้มันไม่ได้เราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไป อ, อะไรนะคำถามส<ม>ุดท้ายค่ะคำถามจากคุณเอกวิทย์ค่ะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่ถึง 5,000 ปีไหมครับก็ไม่รู้แหละแต่อยู่ในโลกนี้ได้ 5,000 ปีตามคาสอนของพุทธเจ้า